บุคลิกพิเศษของท่านพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นผู้มีปฏิปทามากน้อยสันโดษไม่ละคนด้วยหมูสแสวงหาวิเวกปรารบความเพียรตั้งแต่วันบรรพชาอุปสมบทจนกระทั่งวาระสุดท้ายเรียกว่าครบบริบูรณ์เหมือนกับว่าเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผล ผลคือศีลสมาธิปัญญาวีมุตติยา ณ, ณัทสนะอันนี้เป็นผลของความมากน้อยสันโดษไม่ละคนด้วยหมูสแสวงหาวิเวกปรารบความเพียรท่านพระอาจารย์มั่นทำได้สม่ำเสมอตั้งแต่เบื้องต้นแห่งชีวิตจนกระทั่งบั้นปลายแห่งชีวิตทุดดวงขวัตของท่านคือบิณฑบาตเป็นวัดชั้นมือเดียวเป็นวัดชั้นนิบาตเป็นวัด ใช้ผ้าบางสุกุลเป็นวัดผู้ที่จะไปถวายถ้าเป็นจีวรสักผืนหนึ่งผ้าสะบงผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเล็กๆน้อยๆก็ตามเรียกว่าผ้าแล้วกันถ้าจะถวายท่านเขามักจะไปวางไว้ที่บันไดบ้างวางใกล้ๆบันไดกุติท่านบ้างวางตรงทางเดินไปห้องน้ําบ้างท่านเห็นก็บางสุกุลเอาบางผืนก็ใช้ บางผืนก็ไม่ได้ใช้ผู้ไม่รู้อัธยาศัยเอาปถวายกับมือท่านจะไม่ใช้ท่านพระอาจารย์มั่นบุริทัตโตเป็นพระนักปฏิบัติเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามวโคดมในยุคสองพันปีเป็นสาวกที่มีลักษณะ ส, สมบูรณ์แบบด้วยลักษณะาภายนอกและภายในเพราะเหตุนั้น ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์เกียรติคุณของท่านจึงขจรกระจายถึงทุกวันนี้แทนที่จะเป็นหกสิบปีแล้วเลือนหายไปกลับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะบุคลิกของท่านนั้นเป็นบุคลิกที่สมบูรณ์แบบในความรู้สึกของผู้เล่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นบุคคลน่าอัศจรรย์ในยุคนี้ ขอให้ท่านสังเกตดูในรูปภาพคิว้วคางหูตาจมูกมือและเท้าตลอดชีวิตของท่านนั้นท่านเดินทางข้ามเขาไปไม่รู้กี่ลูกจนเท้าพองไม่ใช่เท้าแดงหรือเท้าเหลืองคิว้วท่านมีฝายตรงระหว่างคิว้วลักษณะคล้ายกับพระอุณาโลมของพระพุทธเจ้าฝายอันนี้เป็นจุดดำเล็กๆไม่ได้หนุนขึ้นมา มีขนอ่อนสามเส้นไม่ยาวมากและโค้งหักเป็นตัวอักษรกอไก่เป็นเส้นละเอียดอ่อนมากถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นขณะท่านปลงผมจะปลงขนนี้ออกด้วยแต่จะขึ้นใหม่ในลักษณะเดิมอีกใบหูของท่านมีลักษณะหูยานจมูกโดง่งแววตาของท่านก็เหมือนแววตาไก่ป่า บางคนอาจไม่เคยเห็นไก่ป่าคือเป็นวงแหวนในตาดำมือของท่านนิ้วชี้จะยาวกว่าแล้วไล่ลงมาจนถึงนิ้วก้อยนิ้วเท้าก็เหมือนกันนี่คือลักษณะ ข, ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ายุคสองพันปีเป็นพระผู้นาอัศจรรย์มีบุคลิกที่สมบูรณ์แบบ หลวงปู่ล่าท่านก็เคยเล่าว่าเวลาล้างเท้าหลวงปู่มั่นเห็นฝ่าเท้าท่านเป็นลายก้นหอยสองอันและมีรอยอยู่กลางฝ่าเท้าเหมือนกากระบาทเวลาท่านเดินไปไหนท่านเดินก่อนสานุสิทธิ์จะไม่เหยียบรอยท่านพอท่านเดินผ่านไปแล้วชาวบ้านจะไปมองดูจะเห็นเป็นลายตารางปรากฏอยู่ทั้งสองฝ่าเท้า รอยนิ้วเท้าก็เป็นก้นหอยเหมือนกันจะเรียกเป็นก้นหอยหรือวงจักรก็ได้มีอันใหญ่กับเล็กสองอันเป็นลักษณะพิเศษของท่านหลวงปู่จันโสมกิติกาโรวัดป่านาศิดาอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้เล่าเสริมว่าขณะหลวงปู่จันโสมพักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือนั้น ได้ถวายการนวดหลวงปู่มั่นเมื่อท่านหลับแล้วหลวงปู่ได้พลิกดูฝ่ามือของหลวงปู่มั่นพบว่ามีเส้นกากบาทเต็มฝ่ามือทั้งสองข้างและมือท่านก็นิ่มมากบุคคลทุกระดับเมื่อเข้าไปถึงท่านแล้วท่านจะเป็นกันเองมากคุยสนุกสนานเหมือนคนรู้จักกันมานาน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าบุคคลที่มักจะเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ท่านไม่ค่อยจะเป็นกันเองเท่าไหร่ถามคาไหนได้คานั้นถ้าไม่ถามท่านก็นั่งเฉยท่านพระอาจารย์มั่นเคยพูดว่าผู้ที่จะมาศึกษาธรรมะกับเราจะเป็นญาติโยมก็ดีหรือพระสงฆ์ก็ดีขอให้เก็บออกเก็บดาบไว้ที่บ้านเสียก่อนอย่านำมาที่นี่ อยากมาปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมถ้านำหอกนำดาบมาจะไม่ได้ฟังเทศของพระแก่องค์นี้แม้กระทั่งเด็กที่ไม่รู้เดียงสาปสองสามสี่ท่านก็ทาเป็นเพื่อนได้ในความรู้สึกของผู้เล่าผู้อยู่ใกล้ชิดเวลาท่านอยู่กับเด็กกิริยาของท่านก็เข้ากับเด็กได้ดีเพราะฉะนั้น ความโดดเด่นของท่านใครเข้าไปแล้วกลับออกมาก็อยากเข้าไปอีกใครได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วกลับออกมาก็อยากฟังอีกอันนี้คืออานิสงค์ที่ท่านตั้งปณิธานว่าข้าพระองค์ขอปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระองค์หลังจากที่ได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศนาจนจบจึงได้ตั้งปณิธานเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้า คือองค์สมณะโคโดมนี้หลังจากนั้นก็เวียนว่ายตายเกิดจนชาติปัจจุบันมาเป็นท่านพระอาจารย์มั่นที่นี้ทำไมท่านจึงละความปรารถนาพุทธภูมิท่านพิจารณาแล้วรู้สึกตัวว่าเรานี้ปรารถนาพุทธภูมิจึงมาสร้างบารมีผู้ที่มีปรารถนาพุทธภูมิ เขาคิดอยู่ในใจเหมือนกับเรานับไม่ท้วนผู้ที่ออกปากแล้วเหมือนกับเราก็นับไม่ท้วนผู้ที่ได้รับพระพุทธพยากรณ์แล้วก็นับไม่ท้วนและผู้ที่จะมาตรัสรู้ข้างหน้ามีอีกแปดพระองค์เช่นพระสีอริยเมตรัยพระเจ้าประเรสนทิโกสนกว่าจะถึงวาระของเรามันจะอีกนานเท่าไหร่เราขอรวบรัตัดตอนให้สิ้นกิเลสในภพนี้ซะเลย ท่านพิจารณาเช่นนี้จึงได้ละความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้า